วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นวันที่ท่านทั้งหลายท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมได้ในเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษา คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามันกระทำกันก็คือให้เราหมันสะสมทรัพย์ภายในกันอย่าไปเสียเวลากับการสะสมทรัพย์ภายนอก มากจนเกินไปเพราะว่าทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์ชั่วคราวเป็นสมบัติชั่วคราวคือทรัพย์ทางกายอันนี้เป็นของชั่วคราวมีไว้สำหรับดูแลร่างกายรับใช้ร่างกายให้ความสุขผ่านทางร่างกายแต่เป็นความสุขชั่วคราวเพราะเมื่อ ถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปก็ไม่สามารถที่จะใช้ทรัพย์ทางกายหรือทรัพย์ภายนอกได้ส่วนทรัพย์ภายในคือทรัพย์ทางใจนี้เป็นทรัพย์ที่จะอยู่คู่กับใจไปจะอยู่ต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเป็นทรัพย์ที่ยั่งยืนเป็นทรัพย์ที่จะเป็นที่พึ่งให้แก่ใจ ต่อไปเวลาที่ไม่มีร่างกายดัยงนั้นทรัพย์ที่เราควรที่จะสะสมกันควรจะเป็นทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกก็มีไว้พอเลี้ยงดูร่างกายก็พอคือปัจจัยสมีทรัพย์ไว้สําหรับซื้ออาหารซื้อที่อยู่อาศัยซื้อเครื่องนุ่งห่มซื้อยารักษาโรค นี่คือสิ่งที่ทรัพย์ภายนอกทำได้ไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่านี้ถ้าอยากจะได้ความสุขที่มากที่ดีกว่าความสุขภายนอกก็ให้มาสร้างความสุขภายในมาสะสมทรัพย์ภายในกันเพราะทรัพย์ภายในนี้จะไม่ได้หมดไปกับ ความตายของร่างกายเวลาที่ร่างกายตายไปใจที่จะเป็นดวงวิญญาณนี้ก็จะต้องอาศัยทรัพย์ภายในถ้าไม่มีทรัพย์ภายในก็จะอยู่แบบขอทานถ้ามีทรัพย์ภายในก็จะอยู่แบบเศรษฐีอยู่อย่างมีความสุขเหมือนกับเวลาที่เราต้องเดินทางไปต่างประเทศ ถ้าเราไม่เตรียมเงินสกุลต่างประเทศไปด้วยเวลาเราไปเราจะไปแบบผู้อพยพที่จะต้องไปอยู่ตามค่ายตามชายแดงเพราะเราไม่มีทรัพย์ที่จะเอาไปซื้อของอะไรต่างๆไปซื้อที่อยู่อาศัยไปซื้ออาหารไปซื้ อ, อยารักษาโรคไปซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของใช้ต่างๆ เราก็ต้องไปอยู่ตามค่ายที่เขาจัดเอาไว้ให้อยู่แต่คนที่มีสตางค์ติดตัวไปก็สามารถที่จะไปอยู่ไปซื้อบ้านอยู่ไปอยู่แบบคนที่อยู่กันตามปกติได้ทรัพย์ภายในก็คือบุญนี่เองบุญชนิดต่างๆบุญที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรา มันจเจริญมันสะสมกันให้มากว่าเพราะว่าต่อไปพวกเราจะต้องออกเดินทางกันบ้านเมือง น, นี้ที่เราอยู่นี้เป็นบ้านเมืองชั่วคราววันพอร่างกายเราตายไปแล้วใจที่ใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งให้เราอยู่ในโลกนี้ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ สิ่งต่างๆที่เราได้สะสมกันได้มีกันนี้พอร่างกายตายไปแล้ว mm. ก็จะกลายเป็นของคนอื่นต่อไปเราไม่เอาเอาไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวแต่สิ่งที่เราจะเอาไปได้ก็คือทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในนี้เรามีเท่าไหร่เราเอาไปได้หมดเลยนี่แหละเป็นสิ่งที่เราควรที่จะ สะสมกันคือทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในนี้ก็มีหลายระดับด้วยกันทรัพย์ภายในที่เราเรียกว่าเทวทรัพย์ก็ระดับเทวดาเร<ม>เรียกเทวทรัพย์<ม>พรหมทรัพย์ก็ระดับของพรหมอริยทรัพย์ก็ระดับของพระอริยบุคคลของพระพุทธเจ้าอันนี้ เป็นสิ่งที่พวกเราสามารถเอาติดตัวไปได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าเรามัวแต่สะสมทรัพย์สมบัติเงินทองซื้อบ้านหลายหลังได้กันซื้อรถหลายคันซื้ออะไรหลายซื้อแก้วแหวนเพชรนิลจินดาสร้อยทองคําอะไรต่างๆเวลาตายไปนี่เราเอาอะไรไปไม่ได้เลย เวลาจะต้องไปเป็นขอทานไปขอส่วนบุญจากญาติพี่น้องเช่นเวลาคนตายไปมักจะมีธรรมเนียมของการทำบุญเพื่ออุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วพอก็อยากจะให้ผู้ร่วงลับนั้นไปสู่สุคติไปสู่ที่ดีที่ชอบที่สุขที่สบายแต่ถ้าผู้ที่ ไปไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้ไม่ได้เอาทรัพย์ภายในติดตัวไปก็จะไม่ได้ไปอยู่อย่างที่สุขที่ดีที่ชอบได้ mm hmm. การส่งบุญไปให้ก็เพียงแต่เป็นการไปช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลาบากเท่า น, นั้นเองแต่ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรให้ได้มากไปกว่า น, นั้นดังนั้นเราควรที่จะ ให้ความสําคัญต่อการสะสมทรัพย์ระดับต่างๆกันทรัพย์นี้ก็เป็นเหมือนธนบัตรที่มีหลายราคาธนบัตรมีตั้งแต่ยี่สิบบาทห้าสิบบาทร้อยบาทห้าร้อยบาทพันบาททรัพย์ภายในก็เช่นเดียวกันมีหลายราคาด้วยกันเทวทรัพย์ก็เป็นทรัพย์ที่ต่ําที่สุด ถ้าเปรียบเทียบก็อาจจะเป็นธนบัตรยี่สิบาทห้าสิบบาทหรือร้อยบาทถ้ารมมาซั์ก็เป็นเหมือนธนบัตรใบละห้าร้อยบาทถ้าอาริยศั์ก็เป็นเหมือนกับธนบัตรใบละผันแต่ละสมบัตินี้ก็มีวิธีที่จะสร้างไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ก็มักจะต้องสร้างกันไปตาม ตามลําดับจากขั้นที่ง่ายขึ้นไปสู่ขั้นที่ยากเหมือนกับการหาทรัพย์สมบัติเช่าของเงินทองหาธน บ, บัตรใบละยี่สิบห้าสิบมันก็ง่ายกว่าหาธน บ, บัตรใบละห้าร้อยหรือพันหนึ่งแต่ถ้าเราสะสมการหาไปเรื่อยเอยเราก็จะมีความสามารถที่จะหาทรัพย์ได้มากขึ้นไปตามลําดับ อันนั้นสิ่งแรกที่เราควรที่จะสร้างกันขึ้นมาก็คือเทวทรัพย์เพราะเทวทรัพย์นี้เป็นเป็นทรัพย์ที่ง่ายที่สุดในบรรดาทรัพย์ภายในทั้งหลาย<ม>ก็คือให้เราหมั่นทำบุญทาทานเสียสละแมงปานข้าวของเงินทองที่เรา มีมากเกินความจําเป็นทรัพย์สมบัติภายนอกมีไว้เลียงดูร่างกายเท่านั้นเพราะเมื่อร่างกายพออยู่ได้แล้วไม่เดือดร้อนแล้วจะมีมากไปกว่า น, นั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับร่างกายมไม่ได้ทําให้มีความสุขมากไปกว่าเท<ม>่าที่มีอยู่<ม>ถ้าอยากจะให้มีความสุขมากขึ้นเราต้องเอาทรัพย์ภายนอกนี้ มาแปลงเป็นทรัพย์ภายในเหมือนกับเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเราก็เอาเงินสกุลไทยไปแลกเป็นสกุลของประเทศที่เราจะเดินทางไปถ้าจะไปประเทศญี่ปุ่นก็แลกสกุลของญี่ปุ่นไปสหรัฐเราก็แยกเงินลราก็แลกเอาสังเงินสกุลของสหรัฐติดตัวไปพอเราไปถึงสหรัฐหรือไปถึงญี่ปุ่นเราก็จะได้มีเงินใช้ได้อย่างสะดวกสบาย อันนี้ก็เหมือนกันเราต้องออกเดินทางกันวันใดวันหนึ่งและเวลาที่เราจะออกเดินทางเราก็ไม่รู้เพราะเครื่องของเรานี้เราไม่รู้ว่าเขาจะมารับเราเมื่อไหร่แต่ละคนนี้จะเดินทางออกจากโลกนี้เวลาไม่พร้อมกันไม่เท่ากันแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะออกเดินทางไปก่อนนึื่ปหลังดังนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ เราเรีบเตรียมเอาทรัพย์ภายในติดตัวไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ด้วยการทําบุญทําทานเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้นี้เอาไปทําคุณทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นโดยเบื้องต้นเราก็ควรที่จะทําคุณทําประโยชน์ให้กับผู้ที่มีพระคุณกับเราก่อน ดูแลผู้ที่มีพักคุณให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่อัตคัดเดือดร้อนก่อนก็คือดูแลบิดามารดาพ่อแม่ของเราผู้ที่ให้กาเนิดกับเราทดแทนบุญคุณด้วยการทำบุญทำทานเราได้ประโยชน์สองต่อเราได้ทดแทนบุญคุณได้แสดงความกตัญญูกตเวทีแล้วเราก็ได้แลก เอาทรัพย์ภายนอกไปแรกให้เป็นทรัพ ย, ย์ภายในเราจะทำได้ยิงยิงยิงปืนด้วยกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัวได้ตอบแทนบุญคุณท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์เช่นพระศาสนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็เปียบเป็นเหมือนครูบาอาจารย์ที่จะให้ความรู้กับพวกเรา พ่อแม่ก็ให้ชีวิตกับพวกเราเพื่อที่เราจะได้มีร่างกายมาพัฒนามาสะสมทรัพย์ภายในเพื่อให้จิตใจของเรานี้ได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดการที่เราจะสะสมทรัพย์อันระดับสูงสุดได้นี้เราก็ต้องมีพระพุทธศาสนาดังนั้นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชาวพุทธเราเรื้องต้นเราก็ทำนุบำรุงบิดามารดาของเราดูแลท่านให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่เดือดร้อนแล้วถ้าเรายังมีส่วนที่เหลือที่จะทำต่อได้เราก็ไปทำกับพระศาสนาก่อนเราต้องมิเราต้องทำนุบำรุงพระศาสนา พระศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราเป็นผู้ที่จะให้ความรู้ที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความสุขความเจริญเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับเราก็ต้องดูแลพระพุทธศาสนาก่อนในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราเป็นเหมือนกับเป็นลูกศิษย์ลูกหา องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องดูแลพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้อยู่ทาหน้าที่เผยแผ่สั่งสอนธรรมะอันประเสริฐให้แก่สัตว์โลกไปนานๆก่อนแต่ถ้าเราเห็นว่าศาสนาก็มีผู้ทานุบำรุงอย่างเหลือเฟือพอเพียงไม่อัตคัดขัดสนวัดวารามมีพระเนร์อยู่ ศึกษามาบวชศึกษามาปฏิบัติกันอยู่กันอย่างไม่เดือดร้อน mm. ถ้าเราอยากจะแบ่งการทำบุญไปที่อื่นต่อก็ได้เช่น mm. ไปอามองค์กรที่มีคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่น mm. ทำทำกับโรงพยาบาลถ้ารู้ว่าเข า, า, าถ้าเขาขาดแคลนอะไรก็ไปช่วยกันโรงเรียนขาดแคลนอะไร ก็ไปช่วยดูแลกันสนับสนุนกันทํคุณทบุญกับองค์กรที่เป็นสาธารณประโยชน์แล้วต่อไปก็อาจจะไปทาอย่างกับบุคคลอื่นก็ได้ทํากับบุคคลที่ยากไร้บุคคลที่ช่วยตัวเองไม่ได้เช่นคนแก่คนชราคนพิการหรือเด็ก เด็กที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้เด็กกำพร้าหรือเด็กที่เรียกว่าเด็กพิเศษที่ไม่มีสติปัญญาที่จะดูแลตัวเองได้ต้องอาศัยการดูแลของผู้อื่นเราก็ทำได้เป็นวิธีแปลงทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในเหมือนกันหมดเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันหมดทางภาษาเราเราไปแยกกันว่า ทำกับวัดทำกับศาสนาเรียกว่าทำบุญทำกับบุคคลต่างๆนี่เรียกว่าทำทานแต่ความจริงเป็นการทำทานทั้งหมดเพราะว่าคําว่าทานก็คือการให้นั่นเองการเสียสละการแบ่งปันทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองให้แก่ผู้อื่นไปเยิ mm ่ง hmm. แต่เรานิยมใช้ถ้าเราทำทานเราให้กับวัดเราก็เรียกว่าทำบุญ ถ้าเราให้กับบุคคลต่างๆเราก็เรียกว่าทําทานแต่เป็นการกระทําแบบเดียวกันและได้ผลเหมือนกันผลก็คือได้แปลงเอาทรัพย์ภายนอกมาเป็นทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในก็คือทำก็คือบุญนี่เองบุญนี่แหละที่คือเป็นทรัพย์ภายในบุญเป็นความสุขใจเวลาเราทําบุญแล้วเราจะมีความสุขใจ แล้วความสุขใจนี้จะอยู่กับใจไปยาวนานกว่าความสุขที่เราได้จากทางตาหูจมูกงิ้นกายเช่จนจากการที่เราไปดื่มไปกินไปรับประทานไปดูไปฟังไปเที่ยวไปทำอะไรทางตาหูจมูกงิ้นกายอันนี้เป็นความสุขทางเวทนาความสุขทางขันไม่ใช่ความสุขทางใจ ความสุขทางขันนี้เป็นความสุขที่อยู่ภายใต้กฎของตายักษเป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราว <c oughs> เวลาได้เสพได้สัมผัสได้ดูได้ฟังก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่พอเวลาผ่านไปไม่นานความสุขนั้นก็จะหายไปไม่เหมือนกับความสุขใจที่ได้จากการทาบุญมันจะอยู่กับใจไปเรื่อย และจะมารับใช้ใจตอนที่ใจไม่มีร่างกายเวล า, าเวลาใจไม่มีร่างกายใจไม่สามารถใช้ร่างกายเพื่อหาความสุขทางเวทนาทางทางร่างกายได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็จะต้องอาศัยความสุขใจที่ได้จากการทำบุญทำทานนี่ดังนั้น เราต้องคิดถึงอนาคตของพวกเราว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไปตลอดและทรัพสมบัติที่เรามีอยู่ในโลกนี้นั้นเราไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราจำเป็นที่จะต้องอาศัยทรัพย์ภายในคือการทำบุญทาทานชนิดต่างๆ ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจงยังจงทําความสุขจงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมคำว่าบุญกุศลทั้งหลายก็คือวิธีต่างๆเราเลือกทําได้วิธีไหนที่เรา <c oughs> ทำแล้วเรามีความสุขเราพอใจเราก็ทําวิธีนั้นถ้าเราชอบทําบุญกับพระพุทธศาสนาก็ไปทํากับศาสนา ชอบทำบุญกับโรงเรียนก็ทำกับโรงเรียนชอบทำบุญกับโรงพยาบาลก็ทำโรงพยาบาลชอบทำบุญกับสัตว์ก็ทำบุญกับสัตว์ได้บางคนก็ดูแลสัตว์เช่นสุนัขจรจัดมีหาอาหารมาให้สุนัขจรจัดกินเวลาสุนัขเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอาไปพยาบาลรักษาหรือบางท่านก็ชอบถ่ายชีวิตของสัตว์เช่น วัวควายที่จะถูกฆ่าก็ไปถ่ายชีวิตของวัวควายหรือชีวิตของนกของปลาปล่อยนกปล่อยปลาอันนี้ก็เป็นวิธีการทําบุญทั้งนั้นเป็นวิธีการ <c oughs> สะสมทรัพย์ภายในที่จะทําให้เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วจะได้มีบุญจะได้เป็นเศรษฐีบุญพวกที่เป็นเศรษฐีบุญนี้ก็เรียกว่าเทวดานี่ ซึ่งก็มีหลายระดับด้วยกันมีมีอยู่หกระดับก <c oughs> ็เป็นเหมือนกับธนบัตรที่มีหลายราคามีธนบัตรราคายี่สิบบาทห้าสิบาทร้อยบาทเป็นต้น <S 2> <S 2> <S อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการทําบุญว่าได้ทำทำมากทําน้อยทํามากก็จะมีทรัพย์ภายในมากทําน้อยก็จะมีทรัพย์ภายในน้อย อันนี้คือขั้นแรกของการสร้างบุญสร้างกุศลให้เราสร้างเทวทรัพย์ขึ้นมาเพื่อที่เวลาเราตายไปเราจะได้ไปเป็นเทวดากันแทนที่จะไปเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาก็คือไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือไปนรกวิธีที่จะกันไม่ให้เราต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือไปนรกนี้ ก็ต้องทำบุญที่เรียกว่ารักษาศีลเราต้องระ ง, งับการกระทำบาปทั้งปวงถ้าเรายังมีการกระทำบาปอยู่ถึงแม้ว่าเราจะจะมีการกระทำบุญควบคู่ไปด้วยถ้าบุญเรานี้มีน้อยกว่าบาปนี้บาปก็ยังสามารถที่จะดึงใจของเราให้ไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยต้องพยายามรักษาศีลห้ากันให้ได้และละเว้นจากการเสพอบายมุขต่างๆเพราะการเสพอบายมุขนี้จะเป็นเหตุที่จะไปทำให้ไปทำบาปกันได้ง่ายเช่นถ้าเราเล่นการพนันนี้เล่นมากๆเมื่อเราเงินหมดเราก็อาจจะต้องไป ปล้นไปจี้ไปลักไปขโมยเอาเงินเพื่อมาเล่นต่อหรือเอามาใช้นี่พนันแต่ถ้าเราไม่เล่นพนันเราก็จะไม่มีนี่เราก็จะไม่สูญเสียเงินทองเราก็จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำบาปไปลักทรัพย์เป็นต้นหรือการดื่มสุรายามองก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราขาดสติเวลาใจเราเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็อาจจะยับยั้ง ไม่ให้ไปกระทาสิ่งที่เสียหายต่อผู้อื่นไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ดื่มสุราเรามีสติสมบูรณ์เวลาที่เราคิดอะไรไม่ดีเราก็ยับยั้งได้เราก็จะไม่ไม่อนุญาตให้มันออกมาทางวาจาหรือทางการกระทาทางกาย<ม>ก็จะทำให้เรานี้สามารถรักษาศีลกันได้ง่ายละเว้นจากการกระทาบาป เพราะการกระทำบาปนี่แหละเป็นเหตุที่พาให้เราไปเกิดในอบายสี่สถานและเหตุที่ทำให้เราไปเกิดเป็นเป็นสัตว์ชนิดต่างๆนี้ก็เกิดจากอคติสี่ประการด้วยกันคือความรักความชังความกลัวความหลงตามหลักธรรมที่ได้สแสดงไว้ถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าบาปนี้ ตายไปก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทําบาปด้วยความรักด้วยความโลภอยากได้อะไรมากๆเ ม, มือ่อแล้วก็ต้องไปขโมยไปโกงไปชอบโกงเพื่อที่จะได้สิ่งที่รักที่ชอบมาอันนี้ก็จะไปเป็นเปรตถ้าทําบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสูรกายถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้น ก็จะไปนรกนี่คือที่ไปของการข อ, ของการไปเกิดในอบายสี่สถานด้วยกันซึ่งเป็นสิ่งที่เราป้องกันได้เรายับยั้งได้เราสามารถปิดประตูอบายได้ถ้าเรารู้ว่าอะไรคือเหตุที่พาให้เราไปเกิดในอบายเราก็ละเหตุนั้นเสียละเว้นการกระทำเหตุนั้นเสียละเว้นจากการฆ่าสัตว์ นักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีพูดปวดโกโหกหลอกลวงแล้วก็ละเว้นจากการเสพอบายามุขเพราะอบายามุขนี้จะเป็นผู้ที่จะสนับสนุนหรือผลักดันให้ไปทําบาปได้ง่ายนั่นเองคือการดื่มสลายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวเตะความเกียดคร้านและการครบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตร เพราะถ้าเราไปคบคนที่เขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเขาชอบ <c oughs> ความเกียดค้านเขาก็จะชวนเราให้เกียดคร้านถ้าเขาชอบเที่ยวเต่เขาก็จะชวนให้เราไปเที่ยวเต่การเสพบอบา ย, ยามวงนี้ไม่มีการไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายและเมื่อถ้าเสพมากๆเสพ บ, บ, บ่อย ทรัพสมบัติที่มีอยู่ก็จะหมดได้พอหมดแล้วแต่ความอยากจะเสพยังไม่หมดมันก็จะพาให้เราต้องไปหาเงินหาทองโดยวิธีม่ชอบด้วยการไปปนไปจี้ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเพณีและดีไม่ดีถ้าเกิดมีการต่อสู้กันก็จะมีการฆ่าฟันกันขึ้นมาได้นี่คือวิธีป้องกันไม่ให้ใจเราตกต่า ไม่ให้ดวงวิญญาณของเราไปที่ต่ำก็คือให้ละเว้นจากการกระทำบาปทั้งปวงและอบายามุกบาปมีสี่ข้อความจริงมีแค่สี่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีพูดปดส่วนสุรานี้เป็นอบายามุกเป็นตัวเสริมตัวที่ทำให้การกระทำบาปนี้เกิดขึ้นได้ง่ายก็เลยต้องหา้าไม่อดื่มสุรายาเมา และอบายามุขอย่างอื่นคือการเล่นการพนันการเที่ยวเตะความเปลียดค้างและการครบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรพยายามอย่ากระทาสิ่งเหล่านี้แล้วเวลาแล้วจิตใจจะไม่ตกต่ำจิตใจจะไม่ไปเกิดเป็นเวลฉานเป็นเปรตเป็นนรกละายไปนรกอย่างแน่นอนถ้าเรามีการละเว้นจากการกระทำบาปและมีการกระทำบุญ ทำบุญให้มากกว่าทำบาปเพราะบางครั้งบางคราวเราอาจจะขาดสติหรือลูกแก่โทสะโมหะก็อาจจะพังเผล่ไปทำบาปได้บ้างเป็นครั้งเป็นคราวเราก็เอาการทำบุญนี้มาสู้กับการทำบาปได้พยายามทำบุญให้มากทำทานให้มากกว่าการทำบาปแล้วเวลาที่ร่างกายตายไปเวลาที่จิตสุดท้ายนี้บุญกับบาปจะเป็นผู้ที่มา แยกจิตสุดท้ายนี้ไปว่าจะให้ไปทางทิศไหนถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงจิตสุดท้ายไปอบายแต่ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงจิตสุดท้ายนี้ให้ไปสู่สุคติให้ไปสู่ตามกำลังของบุญถ้าได้ทำบุญระดับของเทวทรัพย์ก็จะได้ไปเกิดเป็นเทพ เ, เป็นเทวดา แล้วถ้าสามารถสะสมบุญที่สูงกว่านี้ได้คือชั้นพรหมก็จะไปสู่ชั้นพรหมหรือถ้าสูงกว่าชั้นพรหมก็จะไปสู่ชั้นอริยะอริยบุคคลชั้นพระพุทธเจ้าถ้าได้ถึงชั้นพระอรหันต์ชั้นพระพุทธเจ้าก็จะไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระ น, นิพพานพระนิพพานก็เป็นที่ไม่ต้องมีมการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไป ส่วนชั้นต่างๆเนี่ยชั้นอื่นเช่นชั้นเทพชั้นพรหมนี้ยังจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะทรัพย์ที่เอาไปใช้ในชั้นเทพชั้นพรหมนี้มันก็จะหมดเหมือนกับเวลาที่เราไปท่องเที่ยวต่างประเทศพอเงินหมดเราก็ต้องกลับบ้านกลับมาทํางานกลับมาสะสมเงินใหม่เช่นเดียวกันถ้าเป็นทรัพย์ในระดับตายพบระดับของ ของพรมหมโลกของเทโวโลกนี่มันยังเสื่อมได้ยังหมดได้ไปเป็นเทพอยู่ยระยะหนึ่งพอบุญที่ส่งให้ไปเป็นเทพหมดกำลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกับบุญที่ส่งไปให้เกิดเป็นพรหมเมื่อบุญนั้นหมดกำลังลงบุญนั้นก็จิตดวงนั้นก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องกลับมาสร้างบุญกันใหม่อีก ก็จะต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่ได้เรื่อยยกเว้นว่าถ้าสามารถขึ้นไปสู่ระดับของพระอริยบุคคลได้คือพอได้ขึ้นถึงชั้นพรมแล้วก็ทำต่อสะสมบุญต่อสะสมให้เป็นพระอริยบุคคลถ้าเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดถ้าถึงขั้นสูงสุด แต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นสูงสุดก็ยังมีโอกาสากลับมาเกิดแต่น้อยมากเช่นขั้นที่หนึ่งคือพระสูดาบา น, นี้จะมามกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดครั้งขั้นที่สองพระสกิดาคามีนีจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงครั้งเดียวถ้าได้ขั้นที่สามพระนาคามีนีก็จะไม่กลับมาเกิดในโลกของมนุษย์แต่จะไปเกิดอยู่ในโลกของพรหม แล้วก็จะบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์เป็นไปถึงพระนิพพานได้ต่อไปโดยที่ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้คือความพิเศษของของบุญระดับอริยบุคคลของทรัพย์ระดับอริยบุคคลที่เราเรียกอริยทรัพย์นี้การที่จะมีอริยทรัพย์หรือรู้จักอริยทรัพย์ได้ก็ต้องมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามาตัดสัู้ มาได้ค้นพบวิธีที่จะสร้างทรัพย์ภายในที่สูงสุดทรับที่ที่ไม่เสื่อมทรัพย์ที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมีพระพุทธศาสนาถ้ายุคไหนไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่สามารถเข้าถึงอริยซัพย์ได้จะเข้าได้ก็แค่ระดับเทวรทรัพย์และพรหมรัพบเท่านั้นเองวิธีสร้างเทวรทรัพย์ก็ได้แสดงไว้แล้วว่า สร้างด้วยการทําบุญทําทานแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองที่เป็นทรัพย์ภายนอกให้มาเป็นทรัพย์ภายในถ้าเรามีทรัพย์ภายในใจของเราก็จะเป็นเทพขึ้นมาแล้วก็จะเป็นเทพชั้นสูงในชั้นต่ําก็อยู่ที่ทำมากทำน้อยทำมากใจก็จะเป็นเทพมีที่มีความสุขมากก็จะเลื่อนระดับชั้นขึ้นไปซึ่งมีอยู่หกชั้นด้วยกัน ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองมีชื่อต่างๆเช่นชั้นดุสิตชั้นชั้นอะไรเนี่ยจำไม่ได้ชื่อยามะชั้นมีหกชั้นด้วยกันอยู่ที่กำลังของบุญที่เราทำกันแต่ถ้าเราอยากจะไปขึ้นได้รับความสุขที่มากกว่าความสุขของชั้นเทพก็คือสวรรค์ชั้นพรหมนี้เราก็ต้องเพิ่มวิธีการทำบุญ คือนอกจากรักษาศีลห้าแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นรักษาศีลแปกันเพราะการที่จะมาสร้างบุญระดับชั้นพรหมได้นี้เราจะต้องมีเวลาให้กับการสร้างมากขึ้นเพราะการสร้างบุญระดับพรหมนี้เป็นการสร้างเพื่อทาใจด้วยการทำใจให้สงบที่เรียกว่าเรียกว่าส ม, มถะภาวนา จำเป็นจะต้องทำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนถึงจะได้ผลดีถ้าทำวันละนิดวันละหน่อยนี่มันก็จะได้ไม่มากและไม่พอเพียงที่จะทำให้เกิดผลที่ที่ยิ่งใหญ่ได้ดังนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะขึ้นไปสู่ระดับพรหมนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นนักบวชกัน พวกนักบวชนี่เขาไม่ต้องการที่จะหาความสุขจากจากบุญระดับเทพนะบุญระดับเทพนี้เมื่อเปรียบเทียบกับบุญระดับพรหมแล้วนี้ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินผู้ที่ต้องการความสุขที่ได้จากการเป็นพรหมนี้จึงจำเป็นที่จะต้องประพฤติพรหมจันทร์กันนั้นเองก็คือลาเว้นจากการหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายต้องถือศีลแปดขึ้นไปเป็นอย่างน้อยศีลแปดศีลสิบศีลสอง้อย่บเจ็ดเป็นต้นเพราะว่าต้องระงับการเสพการศีลแปนี้เพิ่มขึ้นอีกสามข้อจากศีลห้าก็คือเพื่อไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นศีลข้อสามกาเมก็เปลี่ยนมาเป็นอพิ ร, รมจริยา คือถือถือศีลพรหมจรรย์หมายถึงไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่หาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะของบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้จะได้เอาเวลาที่เสพความสุขแบบนี้ไปให้กับการเจริญสติกับการนั่งสมาธินั่นเองเพราะการเจริญสติกับการนั่งสมาธินี่แหละที่จะเป็นที่จะทำให้เกิดทรัพย์ภายใน ที่เรียกว่าพรหมซับขึ้นมาก็คือฌานระดับต่างๆฌานขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่หรือที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดถึงขั้นที่เก้าคือนิโรธสมาบัติอันนี้เป็นเป็นความสุขของระดับพรหมที่จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเรามีเวลามาเจริญสติมานั่งสมาธิเะั้นเวลา ที่จะเาไปใช้กับกิจกรรมอย่างอื่นก็ต้องรั ง, งับไปเช่นเอาเวลาที่จะไปรับหาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานอาหารมาก <c oughs> เกินความต้องการของร่างกายก็ต้องยุติลงให้รับประทานเพื่ออยู่ให้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายก็ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปไม่ให้รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปเ <c oughs> พื่อที่จะได้เอาเวลาหลังเที่ยงวันนี้มาใช้ให้กับการเจริญสติมา นั่งสมาธิแ ล, แล้วก็ไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจหมูกลิ้นกายจากการบันเทิงไปตามหลังบันเทิงต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆดูหนังดูละครนอนรำทำเพลงอะไรต่างๆเหล่านี้และเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาพรด้วยเครื่องสำอางด้วยน้ำมัน <at> น้ำหอมต่าง ๆ, ๆ อันนี้ก็ต้องระ ง, งับไปไม่ให้หาความสุขจากรูปเสียงกินรสต่างๆแล้วก็ไม่ให้นอนมากเกินไปถ้านอนมากก็จะเสียเวลาของการปฏิบัติก็ต้องนอนแบบไม่สบายเกินไปไม่ให้นอนบนพูกบนเตียงนั้นที่เป็นเตียงสาราญที่จะให้นอนนอนมากๆให้นอนบนพื้นแข็งๆ แ, แทนเพราะถ้านอนบนพื้นแข็งแล้วจะไม่นอนมาก พอร่างกายได้พักผ่อนก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาถ้านอนบนพื้นแข็งก็จะไม่ไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายแต่ถ้านอนบนผูกหนาๆบนเตียงสำรานี้พอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาใจก็ยังไม่อยากจะลุกใจก็บอกขอนอนต่ออีกหน่อย mm hmm. ก็จะไม่ได้ความสุขไม่มีเวลาที่จะไปสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบได้ mm hmm. ดังนั้นการที่จะสร้าง พรหมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ที่เหนือกว่าเทวทรัพย์ก็จาเป็นที่จะต้องมีการรักษาสินแปดขึ้นไปเป็นอย่างน้อยแล้วก็มาไปหาที่สงบวิเวกที่สงบสงัดตามวัดต่างๆวัดที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมวัดที่ให้เราปรีกวิเวกอยู่ตามลำพังของเราเพื่อที่เราจะได้เจริญสติคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าเราไปอยู่ในที่ที่มีรูปเสียงกลิ่นรสให้เรามาคอยสัมผัสรับรู้มีคนนั้นคนนี้มีเรื่องนั้นเรื่องนี้มีการกระทําอะไรร่วมกันอยู่เนี่ยมันจะทําให้การควบคุมความคิดนี้ควบคุมไม่ได้จะทําให้ใจหยุดคิดนั้นทําไม่ได้การที่เราจะทําให้ใจเราเข้าสู่พรหมโลกหรือมีพรหมซาบนี้เราจําเป็นที่จะต้องทําใจให้นิ่งให้สงบเท่านั้นเอง และการที่จะทำใจให้นิ่งได้ก็ต้องอยู่ห่างกายจากแสงสีเสียงห่างกายจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปอยู่ตามวัดที่เขาจัดสถานที่ให้เราอยู่ตามลำพังเรียกว่าไปปรีกวิเวกเพราะว่าถ้ากายวิเวกแล้วใจก็จะวิเวกคำว่าวิเวกก็สงบนั่นเองกายต้องกายต้องอยู่ในสถานที่สงบไม่พลุกพล่านไม่มีไม่มีการกระทาอะไรต่างๆ เมื่อสถานที่สงบเวลาใจมีสติทํานั่งสมาธิก็จะสงบง่ายท่านถึงเรียกว่ากายวิเวกจิตวิเวกจิตจะวิเวกจิตจะสงบได้ต้องกายวิเวกก็ต้องไปปลีกวิเวกกันคําว่าไปปลีกวิเวกก็ไปหาที่ที่สงบที่ไม่มีอะไรรบกวนใจซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นวัดก็ได้เพราะว่าสมัยนี้วัดบางแห่งก็ไม่ไม่เป็นที่สงบ เพราะมีกิจกรรมต่างๆเยอะมีงานบุญเยอะมีงานศพมีงานสวดมีงานอะไรผูกพัตตสีมามีงานเททองหล่อพระมีอะไรต่างๆถ้าไปวัดเหล่านั้นเหล่านี้ก็จะหาความสงบไม่ได้จะไม่เลือกจะไม่ถือว่าเป็นการไปปรีกิเวกไปก็จะไม่มีเวลาให้เรามานั่งสมาธิทำใจให้สงบกันเพราะจะต้องไปร่วมบุญกัน อันนั้นเหมาะสำหรับพวกที่ยังต้องการสะสมบุญสร้างเทวรั์อยู่ถ้าสร้างเทวรั์ก็ไปได้ไปตามวัดที่มีงานต่างๆงานสังลูกนิมิตมีงานปลุกเสกอะไรมีการสร้างกุฏิถวายวิหารอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นสาหรับพวกที่ต้องการสร้างเทวซั์แต่สำหรับพวกที่ต้องการสร้างพรมซั์ที่มีความสุขเหนือกว่าเทวซั์ ก็จะจำเป็นจะต้องไปหาวัดที่สงบส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดป่าวัดเขาเพราะวัดป่าวัดเขานี้เขาจะเน้นเรื่องของการภาวนาของการสร้างพรหมทรัพย์กับอริยศรัพย์เท่านั้นส่วนทางเทวทรัพย์นี้เขาเขาไม่ไม่ไม่ต้องการเพราะว่ามันเป็นเป็นทรัพย์ที่ต่ำกว่าให้ความสุขน้อยกว่าทรัพย์คือพรหมทรัพย์และเทวศรัพย์ไอพรหมทรัพย์และอริยศรัพย์ งั้นต้องไปหาที่สงบถ้าหาวัดที่สงบไม่ได้ถ้าเราทําบ้านของเราให้สงบได้ถ้าเราอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องอยุ่งเกี่ยวกับใครมีห้องมีที่พักที่เป็นศาสตร์เป็นส่วนของเราแล้วเราใช้ที่ห้องนั้นเป็นที่ปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นที่วิเวกเหมือนกันแต่วิเวกแบบนี้ก็ยังสู้วิเวกแบบที่ไปอยู่ตามป่าตามเขาไม่ได้ เพราะว่าวิเวกในบ้านในห้องนี้มันยังปลอดภัยยังทำให้เราไม่ค่อยมามีสติมากนะไม่เหมือนกับไปอยู่ตามที่มีไทยรอบด้านชิ้นไปอยู่ในป่าในเขาซึ่งอาจจะมีสัตว์สิงสาลาสัตว์อะไรต่างๆมาทําร้ายร่างกายเราได้ถ้าไปอยู่ที่อย่างนั้นนะ่ะมันจะทําให้เรามีสติมากขึ้นเพราะเราจำเป็นจะต้องมีความระมัดระวังอยู่มากขึ้น แต่ถ้าเราอยู่ในที่ปลอดภัยนี้สติมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากกว่าแต่เบื้องต้นถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะไปหาที่อยู่ในป่าในเขาเราก็หาที่อยู่ในบ้านไปก่อนก็ได้มีบ้านมีช่องล้วก็อยู่ของเราไปถ้าเราอยู่คนเดียวก็เราก็สามารถที่จะปฏิบัติจเจริญสตินั่งสมาธิได้ตลอดทั้งวันทั้งคืน การกรปฏิบัติที่จะให้ได้ผลจริงๆนี้จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่เหมือนกับการสร้างเทวรัท์ที่เราสามารถทำได้เป็นเป็นครั้งเป็นคราวเป็นเวลาวันนี้ใส่บาตร ก, ก็ถือว่าได้สะสมเทวซั์แล้วตอนบ่ายมาทำบุญฟังเทศฟังธรรมบอยจากทาวของอีกก็ได้เทวซั์อีกแต่ถ้าต้องการจะได้พรหมซั์ได้อริยะซั์นี้ จำเป็นที่จะต้องไปเปรียกวิเวๆอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวข้องกับใครเพราะเหตุใดเพราะเวลาเกี่ยวข้องกันแล้วมันต้องคิดนั่นเองคิดแล้วก็ฟุ้งขึ้นมาฟุ้งแล้วก็จะไม่ได้ผลต้องไปอยู่ที่มันสงบแล้วก็จะได้ใช้สติคอยควบคุมความคิดไว้ถึงแม้ยอยู่ที่สงบก็ไม่ใช่หมายความว่าจิตมันจะสงบตามวนะ่ามันก็ยังนิสัยที่มันเคยคิดอยู่มันก็จะคิดต่อไป คิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังจะเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องฝึกสติกันให้มากๆการฝึกสติก็คือเพื่อหยุดความคิดนี่เองถ้าเป็นรถยนต์ก็เป็นเหมือนการเหยียบเบรกเวลาที่เราต้องการให้รถมันหยุดนิ่งนี้เราจะเป็นจะต้องคอยเหยียบเบรกต้องเหยียบจกนกว่ารถมันจะหยุดเราถึงจะปล่อยเบรกได้การนั่งสมาธิถ้าเรานั่งโดยที่เราไม่ได้ฝึกสติมาก่อนนี้ มันจะสงบได้อยา่างเหมือนกับการที่เราจะหยุดรถเนี่ยเราต้องการหยุดรถตรงนี้เราเหยียบเบรคปุ๊บมันไม่หยุดตรงนี้หรอกกว่าจะหยุดมันโน้นอ่ะมันวิ่งไปหลายร้อยเมตรด้วยกันเพราะความเร็วของรถมันไม่ใช่อยู่ที่ดีพอแตะเบรกปั๊บรถมันจะหยุด ท, ทนันทีฉันได้ใจของเราก็เหมือนกันใจของเรานี่มันคิดอยู่เหมือนรถที่กําลังวิ่งอยู่และเวลาเรามานั่งสมาธิก็เหมือนเราเราแตะเบรก พอเราแตะเบรกเรานั่งสมาธิแล้วเราคิดว่าจิตจะสงบนี่มันไม่สงบหรอกบางทีนั่งไปแล้วก็ฟุง้งนั่งไปแล้วก็ทนนั่งไม่ไหวรู้สึกอึดอัดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่มีสติมากพอที่จะนั่งสมาธิได้เราต้องพยายามเจริญสติด้วยการควบคุมความคิดจะใช้วิธีการบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ ตั้งแต่เตือนขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็เริ่มพุโทโธไปเลยหยุดความคิดต่างๆอันนี้หมายถึงเวลาที่เราไปปีกวิเวกแล้วเราไม่มีภารกิจการงานเกี่ยวข้องกับใครตที่้องใช้ความคิดเราก็อย่าปล่อยให้ใจคิดคิดที่เท่าที่จำเป็นว่าจะต้องทำอะไรบ้างเช่นต้องไปล้างหน้าแปรงฟันอะไรก็คิดไปตามตามภาวะตามเหตุจาเป็นล้างหน้าล้างตา ขณะที่ล้างหน้าล้างตาทําภารกิจก็อย่าปล่อยให้คิดให้ใช้พุทโธหยุดก็ได้หรือใช้การดูภารกิจที่เรากําลังทําอยู่ก็ได้กําลังแปลงฟันก็ดูการแปลงฟันอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นกําลังล้างหน้าก็อยู่กับการล้างหน้าอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับภารกิจที่เรากําลังทําอยู่ในปัจจุบันถ้าทำอย่างนี้ได้ใจเราจะลดความคิดลง ไม่ได้หมายความว่ามันจะห ย, หยุดคิดได้ตลอดเวลาเวลาเราเผลอแป๊บเดียวนะอาจจะจดจอ่อพุโทโธได้แค่ไม่กี่วินาทีดูการกระทําของร่างกายได้ไม่กี่วินาทีเดี๋ยวมันก็เผลอไปคิดอีกลวแต่ก็ไม่เป็นไรพอเราฝึกอยู่เรื่อยๆเราจะรู้ว่าเราเผลอพอเราเผลอเราก็ดึงกลับมาใหม่กลับมาพุโทโธใหม่หยุดคิดใหม่หรือกลับมาดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ต่อีอ่ ต้องฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะถึงเวลามานั่งสมาธิถ้าเรามีการฝึกอย่างนี้ใจเราจะไม่ค่อยฟุ้งเท่าไหร่จะไม่ค่อยคิดมากเท่าไหร่และเวลามานั่งเราก็ทำต่อถ้าเราใช้พุโทโธล้วก็ใช้คำเลื่ยการพุโทโธต่อก็ได้ขณะที่นั่งสมาธิหรือถ้าเราเฝ้าดูการกระทำของร่างกายพอร่างกายนั่งเฉยๆก็กมาดูลมหายใจแทน ดเราหายใจเข้าที่เข้าออกที่ปลายจมูกถ้าดูได้ถ้ายังดูไม่ได้คือสติยังไม่พอยังมองไม่เห็นหรือยังยังรู้สึก อ, อึดอัดกับการดูลม mm hmm. ก็อาจจะเป็นย่าต้องใช้คําบริกรรมพุทโธโดยใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดอิติปิโสไปหรือบางท่านใช้การฟังเทศฟังธรรมเพื่อกล่อมใจให้สงบในระดับหนึ่งก็ได้ บางคนก็ฟังเทศฟังธรรมไปก่อนพอฟังเสร็จใจเริ่มสงบเริ่มเย็นไม่คิดมากก็ปิดเครื่องฟังแล้วก็มาหันมาดูลมหายใจหรือพุโทโธพุโทโธก็ได้นี่คือ ว, วิธีการฝึกขัดนั่งสมาธิซึ่งของแต่ละคนนี้อาจจะไม่เหมือนกัน oh. เพราะว่ากําลังของสติของแต่ละคนนี้ได้มีการสะสมได้มีการพัฒนามาไม่มากน้อยไม่เท่ากัน บางคนมีสติมากนั่งสมาธิไม่นานจิตก็นิ่งได้สงบได้บางคนมีสติน้อยพอนั่งกรุ๊ปแล้จะรู้สึกอึดอัดขึ้นมาทันทีรู้สึกแน่นหน้าอกรู้สึกบวดศรีรษะอันนี้เป็นกิริยาของการต่อต้านของกิเลสกิเลสนี้ไม่ต้องการให้ใจเข้าสู่ความสงบกิเลสอยากจะให้ใจนี้วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆคิดถึงเรื่องราวต่างๆมันก็จะมีการต่อสู้กัน เวลาที่เราจเจริญสติกิเลสมันก็จะสู้กับเรามันก็จะสร้างอาการตึงเครียดให้กับใจเราได้แต่ก็ไม่ต้องไปกังวลถ้าเราดูลมไม่ได้ก็ต้องอาศัยการบริกรรมพุทโธหรืออาศัยการสวดมนต์ไปก่อนสวดบทอิติปิโสไปหลายๆรอบก็ได้หรือจะสวดบทอื่นก็ได้ที่เราชอบจะสวดบทอาการ32มองของร่างกายก็ได้ไอายังโขโมกายโยกายของเรานี่แหละ ก็สวดได้จะสวดเป็นบาลีก็ได้จะสวดเป็นภาษาไทยอย่างเดียวก็ได้สุดแท้แต่ที่เราจะพอใจสวดไปให้ใจมีอะไรทาไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วใจก็จะนิ่งจะเย็นจะเบาจะสบายขึ้นแล้วพอเรารู้สึกว่าพอดูลมได้ก็หันมาดูลมต่อเพราะการจะทำให้ใจนิ่งสงบร้อยเปรซนี้ต้องอาศัยการดูลมอย่างเดียว หรือการบริกา ร, รพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวอันนี้จะทำให้จิตรวมจิตเข้าสู่สมาธิสมาธินี้ก็มีอยู่สามชนิดด้วยกันชนิดที่หนึ่งเรียกว่าคณิกะสมาธินชนิดที่สองเรียกว่าอัปปนาสมาธิชนิดที่สมเรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิขั้นที่หนึ่งก็คือเมื่อจิตมีสติอยู่กับพุทโธแล้วอยู่ลมได้อย่างต่อเ น, นื่อง จิตก็จะหยุดคิดปั๊บหนึ่งจิตจะนิ่งสงบปั๊บหนึ่งหลกหลุมตกบ่อแป๊บหนึ่งแล้วก็ถอนออกมาอยู่ได้ไม่นานคือได้สัมผัสกับความสงบพอให้รู้ว่าความสงบนั้นเป็นอย่างไรอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิก็สงบได้เพียงแป๊บเดียวซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ที่เริ่มปฏิบัติก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่ากำลังของสติยังมีไม่มากพอ มีมากพอที่จะดึงใจให้เข้าสู่สมาธิได้แต่พอเข้าถึงสมาธิปั๊บก็หมดกําลังหมดกาลังกิเลสที่ต้องการให้ใจออกจากสมาธิก็จะผลักดันออกมาทันทีจะได้งงออกมาอันนี้เราเรียกว่าคณิกะสมาธิสงบเพียงชั่วขณะหนึ่งชั่วฟ้าแลบหรือชั่วงูแลบลิ้นสําหรับผู้ปฏิบัติใหม่ๆนี้จะเป็นลักษณะอย่างนี้ แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่แคงูแลบลิ้งก็ตามเถิดแต่ประสบะการณ์ของมันนี้จะเป็นสิ่งที่ ม, มหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งที่อยู่ดีๆก็จะได้เห็นใจที่เคยวุ่นวายใจที่ไม่มีความสุขนี้พลิกหน้ามือเป็นหลังมือจากใจที่วุ่นวายจิตใจที่เครียดเอากลายเป็นใจที่สงบนิ่งเย็นสบายขึ้นมาเหมือนกั บ, ก, บกับการที่เราอยู่ข้างนอกที่มันร้อน แล้วพอเราเปิดประตูเข้าไปในห้องปรับอากาศก็ได้สัมผัสกับอากาศเย็นทันทีอันนี้คือลักษณะของสมาธิสมาธิคือความเย็นเย็นใจเวลาใจอยู่ข้างนอกสมาธินี้ใจจะร้อนจะวุ่นวายแต่พอเราสามารถใช้สติควบคุมใจควบคุมความวุ่นวายให้ใจสงบได้ใจก็จะเข้าสู่ความเย็นขึ้นมาเบื้องต้นก็จะเย็นได้แป๊บเดียว พรากำลังของสติยังมีน้อยแต่มันก็จะมีคุณไปมีประโยชน์ที่จะทำให้ผู้ที่ได้สัมผัสกับความสงบของใจนี้เกิดความยินดีที่อยากจะได้เสพความสงบนี้ให้มากขึ้นทีนี้ความขยันหมั่นเพียรในการภาวนามันจะมาเองตอหลังจากที่ได้สัมผัสกับความสงบแล้วครั้งเดียวเนี่ยมันจะทำให้เราเปลี่ยนวิถีชีวิตได้ จากการที่เราเคยไปแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากการมีสังคมจากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มอะไรต่างๆนี่มันจะไม่เอาแล้วต่อไปนั้ น, ม, นมันเห็นแล้วว่าความสุขที่ได้จากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้มันก็ทีนี้มันจะหันวิธีเปลี่ยนวิธีหาความสุขแล้วแต่หาเวลามาเจริญสติให้มากขึ้นมานั่งสมาธิให้มากขึ้นจะปฏิบัติให้มากขึ้น พอได้ปฏิบัติมากขึ้นจเจริญสติได้มากขึ้นต่อไปเวลานั่งจิตก็จะสงบได้นานขึ้น<ม>พอจิตสงบนิ่งได้นานเราก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิ<ม>นี่คือระดับสมาธิสองระดับที่เรียกว่าคาิกะกับอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่เรียกว่าสาสัมม า, ส, า, มมาสมาธิเป็นสมาธิที่ถูกที่ควรเพราะเป็นสมาธิที่สนับสนุนการจเจริญ รัพ์ในระดับต่อไปก็คืออริยรัพ์ด้วยการเจริญปัญญาเพราะว่าอปปนาสมาธินี้มีอุบเบกขาสามารถหยุดกิเลสได้<ร>หยุดได้เป็นเวลานานตแต่ถา้ถามีถ้าถาได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่หลังจากได้เข้าไปสู่ความสงบแล้วไม่อยู่นิ่งเฉย จะออกไปเที่ยวในโลกทิพย์ได้ถ้าออกไปเที่ยวในโลกทิพย์ไปพบกับกายทิพย์ไปเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวนรกไปเที่ยวอะไรต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่าอุปจารสมาธิเรียกว่าเป็นเป็นชั้นอภิญญาเป็นความสามารถพิเศษแต่ปัญหาของอุปจารสมาธิก็คือไม่มีอุเบกขาไม่สามารถหยุดกิเลสได้ไม่มีกําลังที่จะสู้กับกิเลส เวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธขึ้นมาจะสู้มันไม่ได้จึงไม่ควรไปในทางนี้ถ้าท่านผู้ที่มีวาสนามีความสามารถเวลาเข้าสมาธิจิตเข้าสงบแล้วแล้วสามารถออกไปทางทางอุปจรารสมาธิได้ไม่ควรไปควรใช้สตดิดึงให้กลับเข้ามาอยู่ในอัปปนาสมาธิให้อยู่นิ่งนานๆจะดีกว่า เพราะว่าถ้าเราไปทางอุปจารสมาธิไปทางอภิญญาถึงแม้เราจะมีตาทิพหูทิพและลึกชาติได้อ่านความคิดของคนอื่นได้ก็ตามแต่มันไม่มีไม่มีความสามารถในการที่จะมาสู้กับความโลภความโกรธความหลงที่จะเป็นตัวที่จะคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจเราได้เราต้องอาศัยอัปปนาสมาธิแต่ก็ดีอยู่อย่างหนึ่งที่อุปจารสมาธินี้มีคนเข้าถึงได้ไม่มาก น้อยมากประมาณร้อยละห้าคนร้อยคนจะมีความสามารถเข้าถึงระดับอุปจารสมาธิได้อุปจารสมาธินี้ไม่สามารถเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการสร้างอริยทรัพย์ในการสร้างมรรคผลมิพานได้ต้องอาศัยอัปปนาสมาธิอันนี้เล่าไว้เพื่อให้ท่านที่ปฏิบัติถ้าได้ถึงขั้นนั้นจะได้รู้ว่าไม่ควรไปทางนั้นเป็นการออกนอกลูก่นอกทางไม่ใช่เป็นทางของมรรค ไม่ใช่เป็นสัมมาสติไม่ไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธิเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิแล้วจะเป็นภัยต่อจิตใ จ, จได้ถ้าไปหลงคิดว่าเป็นสิ่งที่วิเศษแล้วก็อาจจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสต่อไปได้จึง <Yeah. S 1> ต้องระวังถ้ามีอภิน ญ, ญามีความสามารถอันนี้เอาไว้เก็บไว้ใช้ต่อไปได้ในภายหลังหลังจากถ้าเราได้บรรลุธรรมแล้วได้ถึงนิพพานแล้ว เราสามารถใช้อภิญญาใช้อุปจารสมาธิมาในการสั่งสอนผู้อื่นได้อย่างพระพุทธเจ้านี้ก็หลังจากที่ได้ตัดสรูแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเวลาเิยแผ่ธรรมพระพุทธเจ้าก็ใช้ใช้อุปจารสมาธินี้เช่นเวลาต้องการแสดงธรรมกับเทวดาก็ต้องใช้อุปจารสมาธินี้เพ่อเือติดตอกับเทวดาได้อันนี้เป็นประโยชน์ ในการสั่งสอนในการช่วยเหลือผู้อื่นแต่ในการกำจัดกิเลสเพื่อสร้างอริยทรัพย์ขึ้นมานี้ไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดมีวาสนามีนิ ส, สัยที่จะไปทางนี้เราก็ต้องอย่าปล่อยให้ไปดึงกลับมาให้นิ่งเฉยเฉยให้สักแต่วารุให้จิตอยู่ในอุเบกขาไปนานๆเพื่อที่เวลาที่เราออกจากสมาธิมาเราจะได้ใช้อุเบกขานี้มา สนับสนุนในการสร้างอริยทรัพย์การที่จะบรรลุเป็นอริยบุคคลได้นี้จาเป็นจะต้องมีปัญญาต้องเห็นใตรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งปวงเช่นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้าในร่างกายเห็นว่าร่างกายนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ถ้าถ้ามีปัญญาเห็นว่าเป็นทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่า ก็ต้องหยุดความอยากความทุกข์เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นสิ่งที่เราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้มันจะมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย <im it> ถ้าเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วก็ทุกข์ไปเปล่าๆเพราะก็ไปห้ามมันไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ต้องการจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากปล่อยให้มันแก่มันเจ็บมันตายไปเท่านั้นเองใจเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกาย อยู่กับร่างกายไปได้อย่างสบายเวลาแก่ก็อยู่ได้สบายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็สบายเวลาตายก็สบายอันนี้คืออริยบุคคลขั้นที่หนึ่งพระโสดาบันขั้นที่สองพระสะกิราคากับขั้นที่สาพระนาคาก็ต้องตัดความอยากการเสบรูปเสียงกินรสของบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้คือการเห็นอยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ เวลาเห็นใครน่ารักน่ายินดีน่าชื่นชมก็อยากจะได้เขามาเป็นคู่ครองอันนี้วิธีกําจัดความอยากนี่ก็ต้องพิจารณาอสุภะดูร่างกายของเขาว่าร่างกายของเขานั้นมันไม่ได้สวยไม่ได้หล่อน่าดูไปทั้งล่างนะมันมีส่วนที่ไม่น่าดูซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังให้ดูอัศวะบ้างดูกระดูกดูโครงกระดูกดูตับดูไตดูปอดดูลาไส้อะไรต่างๆของคนเรา ถ้าเห็นส่วนที่ไม่สวยงามแล้วความยินดีอยากจะให้เขามาเป็นแฟนเป็นคู่ของเรามันก็จะหายไปก็จะตัดการไปเสพกามได้<ม>ถ้าตัดได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ติกต่อไป<ม>ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันก็เพราะยังติดกามนี้ยังอยากจะมีคู่ครองกัน<ม>อันนี้คือการเจริญปัญญาเพื่อสร้างอริยทรัพย์ขึ้นไป หลังจากขั้นที่สามพัฒ น, นาคามีแล้วก็ไปสร้างขั้นที่สี่คือขั้นพาาาระอรหันด้วยการพิจารณาอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจว่ามันก็เป็นของไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีเจริญเล่าเสือ่อมประหยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ก็ให้เข้าใจและปล่อยวางอารมณ์ไม่ต้องไปยึดไปติดกับอารมณ์ต่างๆรู้ทานอารมณ์แล้วต่อไปอารมณ์ทั้งหลายก็จะดับไปความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากการไปยึดติดอารมณ์ก็จะหมดไป ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจต่อไปได้อริยทรัพย์อย่างสมบูรณ์คือพระนิพพานถ้าได้อริยทรัพย์ระดับพระนิพพานแล้วก็ถือว่าภารกิจได้จบเส้นหน่งภารกิจของการสร้างทรัพย์ภายในก็หมดไม่ต้องกลับมาเกิดม า, มาสะสมทรัพย์อีกต่อไปเพราะว่าใจที่ปราศจากความอยากนี้ก็จะไม่มีวันกลับมาเกิดอีกต่อไป แใจก็จะอยู่นิพพานไปตลอดอยู่กับความสุขระดับบร ม, มสุขนิพพานังปร ม, มังสุขขังอันนี้แหละเป็นทรัพย์ภายในสูงสุดที่พระุทธเจ้าและพระหลานตสาวกทั้งหลายได้ได้มีกันและเอามาฝากพวกเราให้พวกเรามาสร้างกันให้พวกเรามาสร้างทรัพย์ภายในเริ่มต้นจากเทวทรัพย์ด้วยการทําบุญทําทาน หลังจากนั้นพอทำบุญทาทานแล้วก็มาสร้างพรหมทรัพย์ด้วยการถือศีลแปะเจริญสตินั่งสมาธิแล้วพอเราได้อุเบกขาได้อัปปนาสมาธิเราก็มาสร้างอริยทรัพย์กันด้วยการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตากับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกก็คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายภายในก็สิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเรา ล้วนเป็นตายรักทั้งหมดอย่าไปยึดไปติดอย่าไปอยากให้เขาเป็นตามความต้องการของเราปล่อยให้เขาเกิดเขาดับให้เขาเป็นเขาไปตามเรื่องของเขาแล้วใจเราก็จะไม่ต้องทุกข์กับเวลาอีกต่อไปอันนี้แหละคือเรื่องที่พระเจ้าต้องการให้พวกเราทั้งหลายมาสะสมกันก็คือซัย์ภายในรัย์ภายนอกนี้มีไว้พอให้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอ เพราะว่าตายไปมีมากกว่านั้นตายไปก็เอาไปไม่ได้กลายเป็นของคนอื่นก็ไปหมดทำมาหาหามาแทบเป็นแทบตายในที่สุดเวลาตายไปเอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นก่อนตายรีบเอาเอ า, เอาทรัพย์ที่เหลือนี้ที่เราไม่ต้องใช้นี้เอาไปแปลงเป็นทรัพย์ภายในดีกว่าพอพอแปลงหมดแล้วก็จะได้ไปบวชได้เพราะไม่มีทรัพย์ภายนอกแล้วก็ไปบวชได้ ไปบวชแล้วก็ไปสร้างทรัพย์ภายในที่สูงกว่าเทวทรัพย์ก็คือพรหมทรัพย์และอริยทรัพย์ตามลาดับต่อไปนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยัาวารวาหาปุร า, าริกุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ เิจิต่างปัิต่างตุมหางคิปเม็วะสมิจฉะตุสัพเพปเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยธามณนีโชติราโสยธาสัพพีติโยวิวาจันโทสัพพะโรโวินัสสตุมาเตภวัตวันตาราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิศานิจังวุทธาปจายโน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 ท่า น, นใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้จะถามเองก็ได้หรือจะส่งข้อความเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีโนอถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง YouTube ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ กราบเรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะน้าุดจาก Facebook พระอาจารย์สุชาติ510ท่าน YouTube พระสุชาติ l ล v e 308 YouTube Dr. f Channel 1น3วิทยุออนไลน์10คลับฮาส์หนากุด254รวมทั้งหมด 1,247 ท่านค่ะวันนี้ทำไมคนมากก็ไม่รู้นะหรือจะ ต, ตรงกับวันพระหรือเปล่า เชิญครับครับขมัชการพระอาจารย์ครับคำถามนี้คือ เ, อเพื่อนของกระผมองครับเขาอยากจะทำหนังสือธรร ม, ม ะ, ะครับเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่ใกล้จะเสียชีวิตครับ<ส>เขาเลยให้ผมมาเรียนถามพระอาจารย์ว่าจะมีวิธีการดูแลผู้ป่วยที่ใกล้จะเสียชีวิตยังไงให้เขาได้ไปสู่สุคติอย่างเช่นให้เขาฟังธรร ม, มะหรือจะให้เขา สวดมนต์หรือว่ายังไงดีครับสึงจะดีที่สุดครับก็แล้วแต่ความสามารถของเขาที่เขาจะทำได้สวดมนต์ก็ได้อ่านหนังสือธรรมะฟังเทศธรรมธรมรมก็ได้หรือภาวนาก็ได้ทำจิตใจให้สงบพุโทธโธพุทโธไปหรือเจริญปัญญาก็ได้พิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา มันเป็นของไม่เที่ยงมันจะต้องจากเราไปเราไม่ได้เป็นมันเราไม่ได้ตายไปกับมันอันนี้ก็ได้แล้วแต่จะสามารถปฏิบัติในระดับไหนได้ก็ทำไปแต่ต้องทำใจให้สงบให้ปลงให้ได้วางให้ได้แล้วก็จะไม่ทุกข์ทรมานเวลาที่ร่างกายมันตายไปต้องทำความเข้าใจว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเพียงแต่มาครอบครองมันชั่วข้าว เป็นเหมือนรถยนต์ล้วเป็นคนขับรถยนต์เสียแล้วก็ส่งเข้าอู่ถ้าซ่อมไม่ได้ก็ก็เข้าสุสารรถไปแต่คนขับก็ยังอยู่ต่อไปคนขับก็ไปต่อไปหารถใหม่ถ้ายังอยากจะใช้รถก็ไปหารถใหม่คนที่ตายไปถ้าอยากจะมีร่างกายก็ไปรอรับร่างกายไหมก่อนจะไปรับร่างกายใหม่ก็ไปใช้บุญใช้กรรมก่อน แ้วพอหมดบุญหมดกรรมก็มาเกิดเป็นได้ร่างกายแล้วก็มาแก่เจ็บตายก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่อยากจะมาแก่มาเจ็บมาตายก็ไปปฏิบัติไปบวชไปเป็นพระริยะบุคคลเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็จจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปครับเข้าใจไหมเข้าใจครับ ค, ครับอีกข้อนึงครับผมอันนี้ผมสงสัยเองนะครับ ระหว่างที่เราถวายสังฆทานเนี่ยครับหรือเรานั่งสมาธิจน จ, นจิตลมเป็นสมาธิะครับแล้วอุทิลบุญที่เราถวายสังฆทานหรือนั่งสมาธินะครับ<ม>ให้กับ เ, เจ้ากรรมนายเวยหรื อ, เ, อเทวดาทั้งหลายหรือคนที่อยู่ในโลกผิดะครับหรือว่าบิดามดาเราก็ได้เนี่ยครับ<ม>อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่า บุญจากการถวายสังฆทานกับบุญจากการนั่งสมาธิจลนจิตรวมเนี่ยแตกต่างกันยังไงกับผู้รับครับหมายความว่าผู้รับจะได้ผลต่างกันไหมครับมันก็ไม่น่าจะต่างกันครับเพียงแต่ว่ามากน้อยเท่านึงบุญที่ได้จากการสงบมันต้องมากกว่าบุญที่ได้จากการเสียสละแบ่งปันทําบุญทาทานเพียงแต่ว่ามันยากน้อยคนที่จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้สอนวิธีอุทิศบุญด้วยสมาธิเนือ ด, ด้วยการปฏิบัติ แต่ให้อุทิศด้วยการทำบุญเพราะมันเป็นของง่ายทำได้ทุกคนทำได้เดี๋ยวนี้เลยทำได้ทันทีพอทำบุญเสร็จเราก็ได้ความสุขใจความสงบใจในระดับของบุญของทานเราก็อุทิศได้เลยฉะนั้นส่วนใหญ่สำหรับคนทั่วไปก็จะใช้การอุทิศบุญด้วยการ <c oughs> ด้วยการทำบุญทำทานแต่สาหรับผู้ที่ปฏิบตัติอย่างพระนี้ไม่มีเงนินไม่ทอง ก็มีสมาธิมีความสงบมีปัญญาก็อุทิศไปถ้าเป็นพระที่สามารถติดต่อกายทิพย์ได้ก็สอนธรรมะอย่างพระพุทธเจ้าสอนธรรมะให้กับมะพุทธมารดาอันนั้นเป็นการอุทิศบุญที่สูงสุดอุทิศด้วยปัญญาทำให้บรรดาบรรลุเป็นพระสวสดาวันปิดประตูบายไม่ต้องไปเกิดในบายต่อไปนี้อยู่ที่ความสามารถของผู้อุทิต เพาะ่สมาธิกับบัญญามันระดับที่ค่อนข้างจะยากะ้ถ้าต้องการรีบด่วนทันควันฟาสต์ฟู้ดก็ไปที่เนี่ยเคฟซี FC, สั่งปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยส่งไปได้ทันทีเลยแต่ถ้าเป็นอาหารแบบโรงแรงนนี่ต้องไปสั่งจองล่วงหน้าไปก่อนไอเขาเตรียมทำอาหารไหมัน ต, ต่างกันต่างกันตรงนั้น ความสามารถของคนส่วนใหญ่คือคลารวะญ า, าิโยมนี้ทําได้แค่ทําบุญทําทานนะจะให้เขาอุทิศด้วยการนั่งสมาธิด้วยการาบรรลุธรรมนี้เขายัางทําไม่ได้จาายไหมพระเจ้าเลยสอนให้ใช้ทานอย่างเดียวทําทานอย่างเดียวแต่ถ้าเราสามารถที่จะแสดงธรรมให้กับผู้ที่รู้นับไปได้ก็แก็แสดงธรรมไปก็ได้ทําให้เขาบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้ ก็ยิงดีอ่ะไม่ห้ามแต่เป็นกรณีที่ยากกว่ากรณีทั่วๆไปคอยจะเข้าใจนะนะเข้าใจครับอ <Okay. S 2> ครับขอขอ้ขอสุดท้ายครับเอาเลยครับอเวลานั่งสมาธิจนจิตสงบเนี่ยนะครับบางครั้งก็เห็นเป็นนิมิตเป็นแก้วประกายพุ่งอะครับสว่างสวยัยกับบางครั้งก็ไม่มีนิมิตเลยมีแต่วความสงบอะครับมีแต่วความว่างแล้วก็ลมหายใจดับกายดับเนี่ยครับอยากจะเรียนถามว่าวิธี แบบไหนถูกครับกับการเห็นอ๋อแจ้ประกาศคือกับไม่เห็นเนี่ยตว่างไม่เห็นอะไรเลยถ้าเห็นยังแสดงว่ายังไม่สงบเต็มที่ครับก็ใช้สติกําหนดต่อไปอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาครับเราต้องการให้ว่างนิ่งสงบเย็นสบายปราศจากความคิดต่างๆอันนี้คือจิตสงบมากกว่าการที่ไปเห็นดวงแก้วใช่ไหมครับใช่ใช่ถ้าเห็นนี่แสดงว่ายังไม่สงบเต็มที่ อยังไปนสนใจกับดวงแก้วภาวนาต่อไปครับโอเคนะครับขอบคุณครับอาจารย์คำถามจากหน้ากุดค่ะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขณะนี้กำลังตั้งคันได้สิบสัปดาห์เพราะว่าลูกไม่โตตามกำหนดและมีภาวะแท้งแต่มั่นใจว่าสายสัมพันธ์แม่ลูกยังมีอยู่จึงพาลูกในคันมาฟังธรรม หมอให้เวลาหนึ่งสัปดาห์จะนําลูกออกสภาวะตอนนี้หนูพบว่าเมื่อสติอ่อนกําลังหนูเห็นความเสียใจเศร้าใจเกิดขึ้นจนดับไปแต่ไม่สามารถห้ามความเสียใจนั้นได้เมื่อสติมีกําลังหนูเห็นเหตุและผลที่เกิดขึ้นของชีวิตของการเกิดดับตามธรรมชาติเห็นความไม่กังวลใจความไม่เสียใจไม่ทุกข์ไม่เศร้ากําลังสติของหนูไม่แข็งแรงพอที่จะทําให้จิต บได้ตลอดเวลาขอหลวงพ่อช่วยสอนด้วยเจ้าค่ะก็มันจะรักสติอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่สงบก็พุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปอยา่าอย่าปล่อยให้ใจคิดพุ่งสร้างเจ้าคุณวัสนากราบขอโอกาสเรียนถามวิธีก้าวผ่านความเจ็บขาในเวลานั่งสมาธิต้องผ่านทีลาน้อยอาศัยปฏิบัติบ่บบอยหรือว่าให้ก้าวผ่านในครั้งเดียวเลยครับ ก็แล้วแต่สติของเรามีมากมีน้อยถ้าสามารถจเจริญสติได้อย่างต่อเ น, นื่องมันก็ผ่านได้ครั้งเดียวก็ได้บางทีจะสติกําลังน้อยไปบริกรรมพุทโธทไม่ต่อเ น, นื่องบริกรรมสู้สู้ไม่ไหวหยุดบริกรรมมันก็แพ้เวลาเกิดอาการเจ็บปวดให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงอาการเจ็บปวดถ้าเราอยู่กับพุทโธได้เดี๋ยวเราผ่านผ่านอาการเจ็บปวดของร่างกายได้ คำถามจากเฟซบุ o กค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์สองข้อค่ะเพื่อเอื้อต่อการนำพาคุณพ่อคุณแม่สู่อริยบุคคลคำถามข้อที่1การที่คุณพ่อคุณแม่บริจาคเงินทรัพย์ของคุณพ่อคุณซึ่งเป็นทรัพย์ของคุณพ่อคุณแม่เองหนึ่งหมื่นบาทเพื่อสร้างโรงพยาบาลต่อมาลูกมอบเงินให้อีกหนึ่งมืนบาทให้คุณพ่อคุณแม่บริจาคสร้างโรงพยาบาลท่านจะได้บุญทั้งสองส่วนเหมือนกันไหมคะ แล้วแต่ว่าเราให้ท่านอย่างไรถ้าเราให้ท่านแล้วบอกให้ท่านเอาไปบริจาคให้โรงพยาบาลนี้ท่านไม่ได้เลยเพราะเราไปใช้ให้ท่านทําให้เราเพราะมันเกิดจากความคิดของเราเจตนาของเราแต่ถ้าเราบอกว่าพ่อให้พ่อเอาเงินไปใช้แล้วแต่พ่อจะใช้อะไรก็แล้วแต่ถ้าพ่ออยากจะไปทําบุญให้โรงพยาบาลก็ไปอย่างนี้พ่อก็จะได้ต้องเกิดจากความคิดของเขาเองแล้วต้องคิดต้องรู้ว่าเป็นเงินของเขาแล้ว แต่ถ้ายังเป็นเงินของเราอยู่แล้วเราไปบอกให้เขาไปทําบุญนี่มันไม่ได้ให้เขาะเป็นการใช้เขามากกว่าผมไม่มีเวลาว่างไปทําบุญก็เลยฝากพ่อไปทําบุญแทนมันก็ลักษณะเดียวกันคําถามข้อที่สองกรณีลูกนําเงินที่คุณพ่อคุณแม่มอบไว้ให้ไปทําบุญหลังจากที่ท่านทั้งสองจากโลกนี้ไปแล้วท่านทั้งสองจะได้บุญจากการบริจาคนี้หรือไม่คะไม่ได้หรอกแต่ท่านได้ตอนที่ท่านให้เราแล้ว ตอนนี่ท่านให้นะั้นท่านก็บริจาคเือนไปแล้วแต่เงินที่เราได้แล้วเป็นของเราแล้วถ้าเราไปบริจาคเราก็จะเป็นบุญของเราเพียงอย่างเดียวคําำถามจากคุณคณิษฐาค่ะขอถามพระอาจารย์การที่ลูกไม่ตั้งใจเรียนเราต้องการดัดนิสัยเขาโดยไม่ให้เงินใช้ถือว่าแม่ทำผิดไหมคะผลตามมาลูกติดรอทุกวิชา อย่างเราจะอย่างเราจะปล่อยเขาโดยปล่อยเขาไปโดยไม่สนใจนี่ถือว่าเราทําถูกหรือเปล่าเจ้าคะเรายังมีหน้าที่ที่ต้องสั่งสอนเขาประคับประคองเขาให้เปในทิศทางที่ดีถ้ามีวิธีใดที่สามารถทําได้ก็ไม่เสียหายลง ไ, ไ ม, มันเป็นถือว่าเป็นอุบายเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะทําให้เขาไปอยู่เ ป, ปในทิศทางที่ควรจะไปคําถามจาก facebook ค่ะ กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับปกติผมชอบเจริญเมตตาช่วงที่เจริญเมตตามากๆบางทีแค่นึกถึงความเมตตาใจก็มีความสุขเบาสบายและไม่พุ้งซ่านแต่รู้สึกว่าจิตไม่ค่อยมีกำลังและเหมือนจะไม่ค่อยมีปัญญาเฉียบแหลมผมเลยสงสัยว่าอาจาจะเป็นวิชชาสมาธิหรือเปล่าครับมันยังไม่ได้เป็นการการเจริญเมตตาจริงๆ การเจริญเมตตาจริงๆต้องเกิดจากการกระทําเวลาที่เจอกันแล้วมีเหตุการณ์อะไรทั้งอย่างเช่นเขาทาให้เราโกรธขึ้นมาแล้วเราก็ให้อภัยเขาอันนี้จะทำให้ใจเราเย็นจะทาให้ใจเราสงบเพียงแต่นั่งคิดเฉยๆนี่ยังไม่ถือว่าเป็นการกระทําเป็นการซ้อมด้วยก่อนใช่ไ้ต้องรอเวลาที่เกิดเหตุการณ์เกิดการต่อสู้กันโต้แย้งกันแล้วว่าไม่เป็นไร ไม่เอาเรื่อ ง, องเอาลาวจบใจเราก็เย็นสบายขึ้นมาอันนั้นแนะคือการเจริญเมตตาที่แท้จริงต้องเจริญเวลาที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาค่ะ คำถามสาคุณนาวานาวีค่ะกราบน้ำส ก, การเจ้าค่ะโยมจะคิดพิดจารณาเหตุผลเสียก่อนจนเข้าใจว่าถูกต้องสมควรแล้วถึงค่อยพูดค่อยทำแต่ก็ยังหลงกลมายากิเลสมีกิเลสมีกิเลสเนียนเนียนซ่อนในคำพูดการกระทำนั้นอยู่คำถามคือจะต้องพัฒนาจิตใจอย่างไรจึงจะสามารถรู้เท่าทันกิเลสได้แม่นยำขึ้นคะ ก็ต้องทำใจให้สงบก่อนเ <c oughs> มื่อใจสงบแล้วเวลากิเลสมันออกมาปั๊บเราก็จะรู้ทันทีเพราะเวลากิเลสแสดงแต่ละครั้งมันจะทำให้ใจกระเพื่อมทำให้ใจร้อนขึ้นมาค ำ, คำถามจาก ฟ, างฟัง Facebook ค่ะพ่อแม่บอกให้ค่าปลาเพื่อมาทำอาหารให้ท่านกินแต่ผมไม่ค่าเพราะกลัวบาปแบบนี้ผมจะบาปที่พ่อแม่ที่พ่อแม่บอกแต่ไม่ทำให้ไหมครับ ไม่บาปหรอกการฆ่าแบาบปจริงใดถ้าเป็นการกระทําที่ขลักทำคําสอนของพระเจ้านี้เราปฏิเสธได้ไม่ถือว่าเป็นการเป็นการกระทําบาปหรือไม่ชอบอาจจะเขาก่อนสั่งอาจจะไม่พอใจก็ช่วยไม่ได้แต่อันนี้เป็นการป้องกันทั้งเขาและเราไม่ให้ไ ป, ไปตกนรกกันค่ะคำถามจากคุณทัศนาค่ะ ขอกราบหลวงพ่อค่ะขอเรียนถามหลวงพ่อเวลาไปวัดได้ถวายสังฆทานที่วัดจัดเตรียมไว้ซึ่งเป็นสังฆทานที่ได้วนเวียนกันใช้เป็ น, ปนไม่เป็นไรใช้ไหมเจ้าคะบางทีทางวัดก็มีความจำเป็นคือของสังฆทานที่ให้มามันก็มากกว่าที่จะใช้ได้ก็มีสองทางเลือกเอาไปทำบุญจากให้คนอื่นหรือว่าถ้าทางวัดขาดแผนเรื่องค่าน้ำค่าไฟก็อาจจะเอาสังฆทานนี้มา เวลาญาโยมมาทำบุญแลไม่ได้มีสังฆทานก็อยากจะซื้อสังฆทานจากทางวัดทางว้ก็จัดให้เขาไปเพื่อที่จะได้เอาเงินนั้นมาจ่ายค่าน้ํำค่าไฟหรือค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้ก็เป็นไม่ไม่เป็นการเสียหายแต่อย่างใดถ้าเป็นถ้าทําเพื่อประโยชน์ของวัดแต่ถ้าเข้ากระเป๋าของใครคนหนึ่งคนใดนี้ก็ไม่ควรค่ะเขาถามว่าถ้าจัดเตรียมไปเองจะดีกว่าไหมคะก็ได้ทั้งสองอย่างนะเพราะว่าบางทีเราไป ถ้าเขามีเหลือเฟือแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเขาก็รับไว้แล้วเขาก็เอาไปเวียนต่อแต่ถ้าเขาใช้ได้ เ, เขาขาดแคลนอะไรเขาก็เอาไปใช้ก็มี <ะ S 1> แต่ถ้ามันไม่มีมั น, ม, นมันไม่มันไม่ขาดแคลนมันเหลือเฟือก็เอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นต่อได้ คำถามจากคุณเด็กน้อยๆยคนที่จะภาวนาควรจะกล่าวสมาทานศินแปดให้เป็นทางการไหมครับผมถือบางข้อเพราะกลัวเผลอทําผิดศินแปดบางครั้งเลยไม่ไม่กล้ากล่าวครับ อ, อ๋อมันอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่การกล่าวเราเกล่าวไปถ้าเราไม่กระทํามันก็ไม่เกิดผลทันใดแต่ถ้าเราไม่กล่าวแต่เรารักษาไปเราก็ได้ผลงั้นก็อยู่ที่การรักษา การกล่าวนี้เป็นเพียงการตั้งเจตนาท่นเองว่าวันนี้เราจะไม่กินข้าวเย็นนะไม่เดินสซานะแต่ถ้าเราถ้าเราไม่เด่นอยู่แล้วไม่กินข้าวเย็นอยู่แล้วมันก็จะกล่าวก็ไม่กล่าวก็เหมือนกันคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะคำถา ม, มาอยู่ว่าคํา สมาธิที่จะสามารถเดินปัญญาได้เพื่อพ้นทุก์เนี่ยค่ะจําเป็นต้องนั่งจนเงียบทุกอย่างหายไปหมดหรือแค่ว่าศักแต่ว่ารู้ในขันห้าคืออาจจะยังรู้ว่ามีความคิดอยู่แต่ไม่มีความรู้สึกหรือมีอารมณ์ไปกับความคิดนั้นแล้วก็ความคิดหัดคือแยกออกมาตัวรู้กับตัวคิดแยกออกจากกันนะคะต้หให้ได้ก่อนเพราะกิเลสมันอาศัยความคิดเป็นตัวทํางานถ้าหยุดความคิดไม่ได้ก็หยุ ด, ห ย, ดหยุดกิเลสไม่ได้ นี่ต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อนให้จิตนิ่งให้ว่างสงบไม่มีความคิดเหลืออยู่ก่อนแล้วต่อไปเวลาจะให้มันหยุดมันก็จะหยุดกิเลสได้แต่ถ้ายังปล่อยมันคิดอยู่กิเลสมันก็ยังทํางานได้ก็ยังอยู่กิเลสไม่ได้ค่ะ ข, ขอบพระคุณค่ะ คำถามจากคุณปอค่ะแต่ละวันจะมีชั่วโมองทร ม, มะโดยฟังทำสองถสี่ชั่วโมองนั่งสมาธิ1ชั่วโมงแต่ได้ไม่เกินสองชั่วโมงจะดูนสติระหว่างวันเมื่อนึกขึ้นได้อยากทราบว่าทําอย่างไรจะนั่งสมาธิได้เกินสองชั่วโมงเพราะเคยนั่งเกินแล้วรู้สึกมีความเครียดค่ะก็เวลานั่งแล้วอยากจะลุกก็อย่าเพิ่งลุกสิจะเจริญพุโทโธต่อไปนั่งพุโทโธต่อไปก็จะนั่งต่อได้ ข้อคำถามสุดท้ายนะ น, นี่เวลาใกล้จะหมดแนละ้วค่ะกับเรียนจากทาง YouTube ค่ะถ้าจะต่อสู้กับความกลัวภายในใจจะใช้การพิจารณาม ร, รณานุสติได้ไหมคะได้ก็ต้องยอมตายนะ่ยพิจารณาว่าร่างกายในที่สุดมันก็ต้องตายจะห้ามมันยังไงก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าเรายอมตายแล้วใจเราก็จะไม่กลัวผ่านตายคณไม่กลัวอะไรทั้งสิ้น